บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปและได้พูดมาถึงเรื่องเวลาตายรูปเป็นต้นในกรณีที่เกิดความรู้สึกไปตามอำนาจของกิเลสก็ใดค็นหนึ่ง ก็ทรงสอนในรู้เห็นตามความเป็นจริงในขณะนั้นๆเพราะการปฏิบัติในทางจิตใจนั้นเป็นการเพิ่มพูนสติสัมมาจัญญาและความเพียรให้ให้มีกำลังแก่กล้าสามารถใช้ได้เหมาะควรแก่กรณีนั้นๆเรเรียกว่าไม่ขาดสติสัมมาจัญญา มีสติสัพพัญญาใช้อยู่อย่างต่อเนื่องโดยมีความเพียรพยายามเป็นแรงในการผลักดันเพือขั้นตอนของการปฏิบัติทุกกรณีว่าจะส่งแสดงในแนวของการละความชั่วการพฤสพความดีโดยการทำใจใบริสุทธิ์หมดจดก็าต า, ามธรรมะทั้งสามประการนี้ถือว่าเป็นอุปการคุณที่มีความสำคัญ และจะนำจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เรียกว่าผรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็โดยอาศัยสติที่สมบูรณ์และปัญญาที่สมบูรณ์หรือสัมปชัญญะที่สมบูรณ์เพราะคนที่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์จริงๆในโลกนี้มันก็มีเฉพาะพวกพุท ธ, ธกรามกลุมเท่านั้นเอง คือมีพระอาหารหันตสมาสมัมพุทธะพระวเจกัพุท ธ, ธะและก็พระอนุพุท ธ, ธะนอกจากนั้นไม่มีใครมีสติสมัมปจญญะสมบูรณ์แม้าการฝึกปลืปอมเพ่เกิดระลึกรู้ทันจึงเป็นเรื่องจะต้องอาศัยปริมาณของธรรมะทั้งสองประการนี้ว่ามีมากพอที่สามารถระลึกรู้ทันได้ เลืักใชคำว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงการรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นมันก็เหมือนกับเรื่องต่างๆที่เรารู้โดยทั่วไปรู้อะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์และจะต้องมีสัมปชัญญะคือตัดกระแสของสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ออกไป มาดำเนินชีวิตในทางที่เป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์ท่านจะเห็นได้ว่าเอาไปติ่งแล้วแม้ในชีวิตประจําวันของเราในเรื่องทั่วๆไปทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างโดยปกติแล้วคนเราจะรู้ว่าอะไรเป็นบาปุนคุณโทษอาจจะไม่รู้ในกรณีที่เป็นบาปเป็นบุญ แต่ย่อมรู้ในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษแต่ในภาคปฏิบัติแล้วทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษเช่นอาบายามุกเป็นโทษก็รู้แสนรู้แต่คนที่ตกอยู่เป็นธาตุอบายามุกนั่นเองก็สามารถอธิบายโทษของอบายามุกได้แต่ก็จริงก็ทำตนหลุดรอดจากอบายามุกไม่ได้ อย่างกติไทยที่เราพูดกันว่าความรู้ท่วงโหวตัวไม่รอดแต่ถามว่าท่านี้เป็นเพราะไรเพราะว่าปัญญาที่เป็นเครื่องปินิพจนานั้นไม่มีกำลังมากพอจนถึงจะตัดกระแสของความอยากอยากไปอยากดูอยากชมอยากลิ้มอยากจับต้องในอารมณ์เแ่านั้นให้มันขาดออกไปได้ หรื อ, อย่างน้อยก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าเลือกว่าควรไปหรือไม่ควรไปข้อนี้ผมสังเกตว่าแม้ท่ท่านท่านที่เป็นพระหานแล้วท่านก็ยังเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่เพียงแต่ว่าจิตใจไม่กระสันอยากในอารมณ์หล่านั้นไม่ขัดเคืองในอารมณ์หล่านั้นและใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นตามสงวรแกิกรณี โดยไม่มีความหมกมุ่นไม่มีความยึดติดไม่มีความมัวเมาอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแม้สิ่งเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามปกติธรรมดาของสัตว์แลสังขารทั้งหลายปัญญาที่เราเห็นตามความเป็นจริงก็เกิดขึ้นทําให้ใจท่านไม่ฟูขึ้นและไม่ฟุบลงที่เรียกว่าไม่ดีใจไม่เสียใจเมือ่อประสบกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆ นี่คือจุดต่างที่เกิดขึ้นภายในใจของสามัญชนกับระยะบุคคลเนื่องจากสามัญชนเหล่านั้นมีใจกำหนัดในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเลยมุ่งเล่นไปในเรื่องของความโลภ บ, บ้างมุ่งเล่นไปในเรื่องของทางเพศบ้างเรียกว่าใจที่มีความกำหนัดในอารมณ์เหล่านั้น จิตใจจะแปรผันไปตามความเปลี่ยนแปลงของอารมบนั้ น, น, นทําให้เรามีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าวัตถุนั้นบังคับจิตใจหรือว่าวัตถุมีที่พลเหนือใจแต่ทีจริงแล้วใจอ่อนไหวไปกําหนดไปให้ความสําคัญแก่วัตถุเหล่านั้นอย่างน้อยก็ให้ความสําคัญมาก่อนจน เขามีอำนาจอิทธิพลเหนือใจเราถ้าดูแล้วคล้ายๆกับการไปดูการแสดงหรือการเล่นอะไรต่างๆถ้าดูยังมีอารมณ์ร่วมคนเราจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทของการแสดงแต่ถ้าอยู่ดูไปอย่างม่เหตุมีผล ก็จะสามารถหาประโยชน์จากเรื่องที่เราดูนั้นได้เป็นนั้นมากอย่างเช่นการออกบวชของพระสารีบุตรกระโมคคัลลานะและบริวารเ้าเราเห็นว่าที่จริงก็เกิดขึ้นจากการดูมรสมุที่มีการแสดงกันเมื่อตอนที่สติสัมจัะญญมีกำลังไม่มากพอมันก็อ่อนไวาไป มีการสนุกสนานมีการหัวเราะมีการตบมือมีการให้รางวัลมีการเช้าโศกมีการขัดเคืองไปตามบทบาทที่มีการแสดงแต่พอกำลังของสติสมัมปชัญญะเกิดขึ้นเมื่อเกิดพิจารณาว่า น, นี่เราทำอะไรกันเราได้ประโยชน์อะไรกันในเมื่อทั้งผู้แสดงและตัวเราเองอีกไม่กี่วันก็ตายแล้ว ในยุ่งยังมากก็แค่ร้อยปีก็ต้องตายจะมัวสนุกสนานเพลิดเพลินไปทำไมใจไม่เกิดมีความคิดร่วมแต่ใจคิดไปถึงเรื่องคติธรรมดาของชีวิตในขณะนั้นการแสดงก็คงมีการแสดงอยู่แต่ว่าใจของท่า น, นทั้งสองไม่ได้เพลิดเพลินชื่นชมยินดีหรือทุกโศกไปตามบทบาทที่ถูกกาหนด แสดงว่าใจท่านไม่กำหนดไม่กำหนดว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนนนเป็นอย่างนนนดังน้นเราจะเห็นว่าบางครั้งนี่เราลืมตัวไปดูให้เป็นเรื่องจริงต่างต่า ง, งที่เป็นเรื่องสมมติเขาบอกแล้วว่าแสดงกับสมมุติเอามันก็เหมือนการแฟชั่นโชว์ที่จริงแล้วก็เป็นการแสดง ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่วิถีชีวิตจริงแต่พอเราไปเกิดปรุงไปเรื่องจริงเรื่องจงังมันก็เดือดร้อนสำหรับเราแต่พอท่านพระสารีบุตรมคขลานะในตอนนั้นท่านไม่ปรุงตามการแสดงก็คงเป็นการแสดงแต่ไม่มีอิทธิพลเหนือใจของท่าน พึงังเกตว่าตอนนั้นที่จริงท่งานก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นประยะบุคคลอะไรเป็นสามัญชนคนหนึ่งแต่ว่าปัญญามันเกิดขึ้นคุ้งครองใจเดียวกําลังของสติสมัญญาก็ามีกําลังแก่กราก็ เ, าเกิดพิจารณาของแทนที่ใจจะวิ่งออกไปข้างนอกมันใจมาอยู่ข้างในมาพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายในแง่ที่ มันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่อของสิ่งนั้นใจก็แยกเกิดใจไม่เอื้อมไปเกาะไปจับเราดูแล้วคล้ายๆกับเราเดินไปมีคนเดินไปข้างหน้าเราดูครับๆครับๆคล้ายๆจะเป็นเพื่อนเราเราจะรู้สึกดีใจและอาจจะ รีบเดินอย่างเร็วหรือวิ่งตามไป แ, แต่ตะโกนเรียกแล้วประกฏหานหน้ากลับมาปราก็เราไม่ใช่แต่จะเห็นว่าจิตมันหยุดวิ่ง้วยจิตเมื่อก่อนมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นจิตรู้สึกเฉยเยหรืออาจจะผิดหวังนิดๆก็ตามแหละแต่ว่าจิตมันจะเฉยๆฉยงกระแสของความอยากที่จะพบเพื่อน กระแสที่เกิดขึ้นด้วยความเพลิดมยินดีมันจะสงบไปจะถามว่าทําไมเมื่อก่อนเป็นเช่นนั้นเพราะใจเรากําหนดว่าคนนี้คล้ายๆกับเพื่อนเราใจมันก็แล่นไปก่อนแล่นไปก่อนตัวเราแต่พอรู้ว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนเราใจมันก็ถอยกลับมาอยู่กับเราคนคนนั้นคงเดินที่จริงเมื่อก่อนเขาก็เดิน เพียงแต่ D ว่าเมื่อก่อนใจเราไปเกาะเขาทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในใจเราต่อมาใจเราวางจากเขาใจเราก็สกงบทั้งๆที่เขาก็คงเดินเหมือนเดิมนั่นคือลักษณะของใจที่มันเกิดคลอยคว้าเกิดขึ้นจากการกําหนดเราที่ตั้งใจคําว่าปรุงคิดคิดปรุงคือน้อมนํามาปรุงเอา คิดเอาปรุงแต่งเอาด้วยประการต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะให้เกิดอะไรก็ได้ภาพการแสดงที่ดึงเอาท่านสารีบุตรโมกขลา น, นาละเมื่อสมัยที่ยังไม่ออกบวชให้ต้องมาอยู่ทุกคืนที่มีการแสดงนั่นก็หมายความว่าใจท่านเอื้อมไปเกาะกับการแสดงเหล่านั้น พะถึงเวลาก็ต้องไปเพราะใจมันจะดูดปจจัยจะดึงข้าไปต้าบใดที่ใจยังไม่วางยังไม่ปล่อยจากการยึดติดเหล่านั้นท่านก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างนั้นเองต่อพอปัญญาเกิดขึ้นปินิดพิจารณาเห็นความไร้สาระความไม่เที่ยงแท้ความไม่คงทนของชีวิตผู้แสดงและก็ตัวท่านเอง ใจก็ปล่อยใจกววางก็อยู่ตรงนั้นเองพิยในใจกลับมาอยู่กับใจคือกลับมาอยู่กับตัวการแสดงคงมีการแสดงแต่ความสงบได้เกิดขึ้นภายในใจเพระลักษณะของใจที่เป็นเหนี่ยวไปยึดจึงเกิดขึ้นมาจากการไขว่คว้าของใจบางทีเรื่องมันไม่ค่อยเป็นเรื่อง ต่ก็สร้างปัญหาได้มากมายอย่างที่เคยเล่าถึงบัณฑิตคนหนึ่งที่เรียกว่ากุลฐานบัณฑิตท่านสละทรัพย์สมบัติอะไรแต่อะไรออกบวชแต่บวชแล้วเเกิดไปติดอยู่นิดเดียวเวลาถึงฤดูหนึ่งเป็นนัก บ, บวชเป็นพระฤาษีฤาษีบางทีก็รักษาศีลแค่5ข้อแต่นั้นเองไม่รักษาศีลแป ท่านก็มีมีเจอบมีเรื่องนุ่งหม่มจะเป็นคาราวาดแล้วก็มีพัน์ข้าวโพดแล้วก็ลบเด้อยเวลาทัานมาเป็นเพียรอยในป่าเนี่ยจิตทัานไปเกี่ยวอยู่ที่ที่ที่ไอสิ่งสามสิ่งเนี่ยพอถึงฤดูที่จะปลูกพืชท่านก็ศึกออกมาปลูกพืชทำเก็บเกี่ยวแล้ว ก็เก็บตุนเอาไว้แล้วส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ทาพันถรรมาท่านเทียวบวชเทียวศึกอยู่พื่อติดจอบเขี้ยนหนึ่งด้ามเครื่องนุงผ่มแล้วก็พันข้าวพดก็ลุกเดือยนี่เดียเองแต่ว่าติดอยู่ได้ตั้งบวชตั้งเจ็ดครั้งเจ็ดคราดเ้ียวกันพราหนึ่งท่านมาพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องไร้าสาระรานะเจนจอบก้อเขี้ยนเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวก็เก่าคร่ำคร่าขาดพิ้น ข้าวคว้างรู้เดือยก็นนิดเดียวแต่ท่านมาติดได้ท่านดึงต้องตัดใจโดยการเอาสิ่งเหล่านี้มัด ร, รวมกันกับด้ามจอบแล้วก็ถือปลายด้านจอบก็ดืนขรมแม่น้ำแล้วก็หมุนตัวเองคว้างปลาไปสุดแรงเบี่ยงแล้วก็หลับตานิ่งอย่างนั้นเมื่อลืมตาขึ้นมาไอ้คลื่น ที่เกิดขึ้นจากการกระทบของสิ่งที่ท่านโยนไปหายไปแล้วก็ไม่รู้ว่นตกตรงไหนทำให้ตัดใจได้มั น, นแสดงเห็นนั่งใจที่เกาะเกี่ยวอยู่นิดเดียวแต่วันไปไม่ได้พิจารณ์ที่เคยเล่าถึงปาจิตตัตะกะเทระที่เทียวบวดเทียวศึกเหมือนกันด้วยติดอยู่ที่ปัญญาคนเดียว แต่ในที่สุด ป, ปัญญามันเกิดขึ้นถามว่าปัญญาเกิดจากอะไรก็เกิดจากพัญญานั่นเองได้ทาให้ท่านพิจารณาเห็นความเป็นจริงก็ตัดใจที่เกาะเกี่ยวออกไปแล้วบวชเที่ยวหลังก็จเจริญปัสนาบารรลุมรรคผลเป็นพระหันไปนปัญหาในภาคของการปฏิบัติถ้าจึงกระตุ้นในเพิ่มสติสัมปชัญญะความเพียร มมีกำลังขึ้นมาเพราะธมาเหล่านี้เขามีกำลังก็จะทำหน้าที่ระลึกรู้สตินั้นจะปิดกัน้นคล้ายๆกับเราเคยประสบ ป, ปัญหาเคยรู้โทษของสิ่งต่างๆเช่นรู้โทษของกลิ่นบางกลิ่นรู้โทษของรูปบางรูปรู้โทษของอาหารบางชนิด เมื่อเราไปเจอกับสิ่งเหล่านั้นสติจะเกิดขึ้นปิดกั้นกระแสพอเริ่มได้กลิ่นเราก็อั้นลมหายใจไว้แสดงว่าปิดกั้นเอาไว้อะไรเป็นตัวกระตุ้นเตือนคือสติเป็นตัวกระตุ้นเตือนปัญญาก็จะวินิจฉัยว่าต้องอันงอ้นลมหายใจเร้อั้นลมหายใจเอาไว้ไอกลิ่นนั้นก็คงเป็นกลิ่นแต่เนื่องจากสติเกิดปิดกั้นเอาไว้ บงังคับไปปราทส่วนกายก็อั้นลมหายใจก็ทีนั้นก็เข้าไปสู่จมูกไม่ได้เราก็ทําอันตรายอะไรเราไม่ได้สติท่านจึงบอกว่าเป็นเครื่องข้าเป็นเครื่องสกัดกัน้นกระแสของอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นคัสึกต่อใจตัวใกล้ๆเราหยิบอะไรเอื้อมมือจะหยิบอะไรเนี่ยสติจะเราลึกรู้ทัน ควรหยิบหรือไม่ควรหยิบหยิบอย่างไรบาิทีอาจจะเอื้อมมือไปแล้วเลยทาไปแต่สติเกิดขึ้นเห็นว่าไม่ควรจะหยิบเราก็ไม่หยิบสติจึงทาหน้าที่ปิดกั้นท่านท่านสายชนทั้งหลายจะเห็นว่าหน้าที่ของก็คล้ายๆหิริที่แปลความลายต่อบาปแต่หิรินั้นพูดในกรณีบาป ส่นสตินั้นพูดในกรณีทั้งบาปทั้งบุญทั้งกลางๆแต่ก็ทำหน้าที่เหมือนกันก็คือปิด ก, กั้นใจเอาไว้ห้ามกั้นใจเอาไว้ไม่ไปเหนียวนึกตรึกนึกในลักษณะที่จะเพิ่มกิเลสโดยสังเกตว่าการเหนียวนึกศึกนึกที่เพิ่มกิเลสที่จริงมันมีอยู่สี่อย่างแต่นั้นเอง ส่วนจะไปนับชื่อกิเลสอีกสักกี่ร้อยก็ได้แต่ว่ามันจะเริ่มต้นจากเรื่องสี่เรื่องที่ทรงสอนในรูปของอัปปมาต ธ, ธรรมคือธรรมะที่จะต้องบำเพเ็ญเจริญขึ้นด้วยความไม่ประมาทคือสอนอย่าประมาทในสิบเรื่องในสี่เรื่องโดยการให้ระวังใจกันตัวเอง ระวังใจอย่าให้ปรุงด้วยอำนาจของความกำหนัดหรือด้วยราคะโลภะก็ตาซึ่งหมายความว่าก็คงเห็นรูปฟังเสียงดมกิ่นดื่มรถตกต้องยัดน้อนอนแข็งเพราะเราก็ตาไม่บอดหูไม่หนวกแต่การพบ ก, การเห็นเป็นเรื่องธรรมดาปัญหาต้องการว่าอย่าปรุงอย่าปรุงให้เพิ่มความกำหนัดอย่าปรุงให้เพิ่มความขัดคืน เพราะแม้เราจะมีเชื้อเกลยออยู่ภายในใจก็าตามแต่ถ้าเราไม่ปรุงมันก็ไม่มีอะไรให้ลองสังเกตเช่นสมมติว่าคนทำให้เราโกรธเราอาจจะปรุงไปชังก็เถอะปล่อยเขาไปเรื่องของเขาก็เป็นความคิดที่จะไม่ปรุงต่อก็ปล่อยไปเรื่องของเขาคนเดียวเขาอาจจะโกรธเขาอาจจะขัดเคืองก็อาจจะอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราก็ ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาเป็นถ้าเราไม่เพิ่มกิเลสก็ เ, เพิ่มกิเลสก็เป็นเรื่องของเขานั้นแสดงว่าเรื่องตรงนี้เราจะปรุงหรือไม่ปรุงมันก็อยู่ที่เราถ้าเราไม่ปรุงทุกอย่างมันก็จบตรงนั้นทุกอย่างก็หยุดตรงนั้นแต่ถ้าปรุงมันก็ติดอยู่ที่จิตเรามันนอนด้วยไปด้วยกินด้วยบางทีก็อยู่กับเราได้นาน อาศัยที่เราปรุงมันบ่อยๆก็ทำนองคล้ายๆกับไฟที่เราให้เชื้อเก็บ่อยๆ ก, ก็ลูกไหม้ได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดให้เชื้อมันก็ไม้ไประยะหนึ่งก็ต้องหมดวันเพรืองกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจก็มีลักษณะอย่างนั้นเราไปห้ามอารมณ์ข้างนอกก็ทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้พู้เจ้าเองก็ต้องเกี่ยวข้องอารมณ์ ทันสอในให้แก้ภายในคือจะปรุงอารมณ์เหล่า น, นั้นด้วยอำนาจความกำหนัดเมืม่อไปปรุงด้วยความกำหนัดความโลภกกความกำหนัดก็ดี ก, ดก็มไม่เกิดขึ้นแน่นอนกิเลสเรามีไม่ใช่ถึงกับหมดกิเลสเพียงแต่ว่าส ง, งบไม่พ่มเชื้อแก่กิเลสมันก็มีเท่าที่มันมีความรุนแรงก็จะไม่เกิดขึ้น เราจะเห็นในชีวิตจริงๆของเราเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าเราไม่ปรุงแรงๆทั้งๆ ท, ที่กิเลสมีเรียบร้อยสมบูรณ์เพียงแต่ว่าเราหยุดปรุงหยุดปรุงด้วยความกำหนัดด้วยความโลภ ก, การถูกกิเลสเหล่านี้เปลกสายเสือกสายผลักสายไปสู่อารมณ์แล้วก็ส ง, งบลงระวังใจย้ายขัดเคืองในอารมณ์ที่กระตุ้นในหะ้เกิดความขัดเคือง ซึงลักษณะอารมณ์ที่ก่อเกิดความกัดเคืองนั้นเป็นสังเกตว่ามันอยู่ที่พื้นใจของเราที่พระเจ้าทรงชช้ก็มาเหมือนใจที่เป็นแผลเหมือนก็แผลแผลแรงๆ้วถูกลมก็เจ็บถูกน้ําก็เจ็บกระทบนิดก็เจ็บกระทบหน่อยก็เจ็บแสดงว่าแผลเป็นอะมากๆแต่ว่าใจที่มีแผลนั้นจะรุนแรงกว่านั้นเพราะเจ็บแผลมันก็เจ็บที่กาย แต่ว่ากิเลสที่เสียดแทงใจนั้นจะเสียดแทงเข้าไปถึงใจใจที่เปิดปรุงให้เกิดความขัดเคืองขึ้นมาความขัดเคืองมันก็เกิดพอเกิดแล้วเหมือนจุดไฟขึ้นในที่ใดที่หนึ่งมันเผาไหม้ในที่นั้นไม่ได้เผาไหม้ในที่อื่นเลยไม่ได้เผาไหม้คนที่เราโกรธ ถ, ถ้ายังไม่พูดไม่ทําออกไป แต่ ใ, ใจเราก็จะถูกเผาไม้ก่อนถามว่าใครดึงไฟมาเราก็ดึงมาเองแต่เนียวนึกตรึกนึกเดอมหน้าของความขัดเคืองเองเพราะจิตใจที่อ่อนไหวนั้นบางทีก็โกรธแม้แต่ลมแม้แต่ฝนตกแม้แต่แดดออกแม้แต่น้ําท่วมแม้แต่ฝนแรงก็โกรธได้ทั้งหมดเดินสะดุดก้อนหินก็โกรธม้าเห่าก็โกรธเดินสะดุดท่อนไม้ก็โกรธ เก้าเรื่องโกรธได้ทั้งหมดนั้นแสดงว่ามันแผลใช่ไ จ, จะถามว่ายังไงเราไปแก้ตรงนั้นได้ไหมแก้หมาไม่เห่าแก้ฝนไม่ตกแก้น้ําไม่แห้งได้ไหมก็แก้ไม่ได้ถ้าแก้เราก็แก้ที่ใจเราพระพุทธเจ้าจึงสอนในรูปองค์การระวังใจคือไม่ใช่ไประวังตัวข้างนอกเขาเราคงระวังอะไรเขาไม่ได้ยิ่สภาพแวดล้อมปัจจุบันและยิ่งไปใหญ่ การปรับปรุงที่ใจตัวเองจึงเป็นหลักสำคัญที่สุดอารมณ์กระตุ้นน่าเกิดความกวาหนัดความโลภเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่ปรุงตามเข า, เขาก็ทำเขาคนเดียวอารมณ์ที่ก่เอเกิดความขัดเคืองก็มากส่าบดีบขันทางจิตใจทางอารมณ์ทางสังคมทางสภาพแวดล้อมบุกมลภพิษต่างๆที่จริงก็่อเกิดความหงุดหงิดราคาญขัดเคืองได้เยอะเราไม่ปรุงตามไป ใจก็จะไม่อ่อนไหวไปน่วมหน้าของความกัดเคืองระวังใจไม่หลงไม่รุ่มหลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความรุ่มหลงโลกนั้นมันถูกปิดบังเอาไว้ถูกปิดบังความจริงที่แท้แนวกว่าปรุงแต่งคนเราแต่ละคนก็ปรุงแต่งกันมากไ่ปิดบังซ่อนเร้นความจริงต่างๆเอาไว้ทั้งส่วนร่างกายแล้วก็ส่วนจิตใจ จึงทำให้คนหลงไหลครั้งไคล้ไปกับสิ่งเหล่านั้นก็ทํานองแค่การแสดงที่ภาษาในบุตรโมกกาลนาไปดูที่ยกตัวอย่างไปมันเป็นเรื่องการปรุงแต่งและถ้าเราอ่อนไหวไปกับการปรุงแต่งเหล่านั้นทึกทักเอาว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเราก็เดือดร้อนคนที่ได้ประโยชน์คือเขาคนที่เสียประโยชน์ก็คือเรา แล้วเราจะมาสรุปในตอนสุดท้ายว่าระวังอย่าให้ประมาทคือหมายความว่าให้มีสติเพราะสติมันก็เป็นรังสีเป็นรัศมีที่ขาจัดความมืดในรอบทางเหมือนกันที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าสติโล ก, กสมิชาครโรุสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกปัญญาก็เป็นแสงสว่างในโลก ความเพียรก็นำให้คนพ้นทุกไปได้ซึ่งแต่ละอย่างเป็นเรื่องจีทรงสอในให้เพิ่มพูนให้กระทำบำเพ็ญให้มากเพราะส่วนตรงนี้แหละเราเป็นส่วนของภาวนาหมายความเมื่อปริมาณของธรรมะเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นเขาก็ทำหน้าที่ขจัด ก, กิเลส ท, ที่ทรงกงันข้ามกับขาออกไป แต่เนื่องจากสติสัมป ญ, ญญาเป็นธรรมะระดับโลกหมายความว่าเมียงมีเขาเพียงข้อเดียวเขาจะดึงดูดเอาอธรรมะกุศลและธรรมเราอื่นต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นอันมากเกิดเป็นพราณุภาพเป็นธรรมานุภาพที่จะทำหน้าที่กระจัดปัดเป่ากิเลสได้ออกไปจากใจ ได้จะทําหน้าที่รักษาใจเหมือนกับสภาพของความเย็นที่รักษาความเย็นแล้วก็ป้องกันความร้อนแล้วก็ให้ความเย็นแก่คนที่อยู่ในทิศนั้นในขณะเดียวกันก็ป้องกันความร้อนให้ด้วยธรรมะแนวปฏิบัติเวลาปฏิบัติตึงทรงใช้คำว่า ม, มีทรงใช้คำว่าสติมาคือให้มีสติสัมปชัญญมี ปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมมาตาปีมีความเพี่ยนซึ่งก็เหมือนกับมีความรู้มีฝีมือมีสตางถ้าเรามีเราก็ใช้ประโยชน์ได้ถึงข่าวจะใช้ก็ใช้ได้แต่ถ้าเราไม่มีถึงข่าวจะใช้ก็ใช้ไม่ได้เพราะธรรมะท่านจึงสอนในรูปของความมี ทีนี้ถ้าธรมรมะเหล่านี้มีเป็นฐานจิตอยู่อย่างนี้อารมณ์ก็คงผ่านมาตามปกติมันก็เหมือนกับความร้อนที่ผ่านไปแต่มันประทะความเย็นก็ถูกสลายแล้วคงไม่ผ่านไม่ได้แต่มอประทะความเย็นก็ถูกสลายทุกทีธรรมะที่มีอยู่ภายในใจนั้นจึงทาหน้านที่สลายป้องกัน ไม่ให้พวกกิเลสที่เรียกชื่อต่างๆในที่นี้ทรงใช้รำสั่งยชน์ไม่เกิดขึ้นรุ่ง ร, มรุมใจความสงบใจความเยือกเย็นใจก็จะปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลนั้นๆ่ึงผลจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยก็อยู่ที่ความมีธรรมะเหล่านั้นมากหรือน้อยเป็นประการสำคันต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป